เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่วันอาทิตย์ที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาสัมผัสกับรสแห่งธรรมที่เป็นที่ชนะรสทั้งปวงการมาวัดนี้ก็เป็นเหมือนกับการไปร้านอาหารไปร้านอาหารก็เพื่อไปสัมผัสกับรสอาหารมาวัดก็มาสัมผัสกับรสแห่งธรมรมรสแห่งธรรมนี้ก็คืออาหารของใจ ถ้าใจได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วใจจะมีความสุขถ้าใจขาดรถแห่งธรรมใจก็จะมีความทุกข์มีความหิวมีความกระหายมีความต้องการอยู่เรื่อยๆต่อให้ได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ตามก็จะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอเพราะสิ่งต่างๆ ที่ไม่ใช่เป็นธรรมนี้ไม่ใช่เป็นอาหารของใจนั่นเองเช่นลาบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจนูกนิ่งกายไม่ได้เป็นอาหารของใจแต่เป็นอาหารของกิเลสตัณหาที่จะสร้างกิเลสตัณหาให้เจริญเติบโตเพื่อที่จะได้มาเหยียบย่าจิตใจให้เกิดความทุกข์ทรมานใจ เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปดังนั้นเราควรที่จะหันหน้าเข้ามาหาวัดมาหารดแห่งธรรมเพราะใจของเราจะได้มีความอิ่มมีความสุขมีความพอและเราจะได้สัมผัสกับความสุขที่เหนื อ, อกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ ก็เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนเป็นความสุขของพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นความสุขของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นความสุขของนักราปของคนชราส่วนความสุขของพวกเรานี้เป็นความสุขของคนโง่ของคนไม่มีปัญญา คนที่มีวิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าทุกเป็นความสุขกันใจของพวกเราจึงมีเต็มไปด้วยความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ใจของคนฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายใจของท่านมีแต่ความสุขเพราะว่าท่านมีปัญญา ท่านมีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าความสุขทางโลกนี้เป็นความทุกขมากกว่าเป็นความสุขและเห็นว่าความสุขทางธรรมนี้เป็นทางเป็นความสุขที่แท้จริงจึงได้หันหลังให้กับความสุขทางโลกคอยมีความสุขกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกับยศถาบรรดาศักดิ์ กับการสรรเสริญเยืนยอกับการได้สัมผัสได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสผลธถรพะชนิดต่างๆหันหลังให้สิ่งเหล่านี้ไปทั้งหมดแล้วก็เข้าไปในป่าในเขาเพื่อหาสถานที่ที่สงบสงัดเพื่อจะได้เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้ใจสงบพอใจสงบก็จะได้ สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทัง้งป่วนต้องอยู่ในสถานที่สงบสงัดกายวิเวกใจถึงจะวิเวกถ้าก้าวกายอยู่ทําการแสงสีเสียงที่ยั่วยวนกวนใจใจก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ใจจะสงบได้ต้องไปอยู่ในสถานที่ห่างไกลจากแสงสีเสียง จากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณพ์ที่คอยยั่วยวนกวนใจให้เกิดการมาตัหาความอยากในการความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสให้เกิดภาวะตัญหาความอยากมีอยากเป็นและให้เกิดวิภาวะตัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจเวลาใด เวลานั้นจใจจะไม่มีความสุขจะมีแต่ความไม่สบายอกไม่สบายใจและแทนที่จะหันเข้ามาแก้ปัญหาที่ใจคือเวลาอยากได้อะไรแทนที่จะมาหยุดความอยากกลับไปทำตามความอยากอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะดื่แทนที่จะหยุดความอยากดูอยากดื่มอยากฟังก็ไปทำตามความอยาก ก็เพียงแต่ทำให้ความไม่สบายใจความความวุ่นวายใจหรือความกระสับกระส่ยายกระวนกระวายระงับตัวชั่วคราวแต่ระงับไม่นานแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาที่รุนแรงกว่าความอยากเดิมเป็นเปรียบเหมือนกับการดับไฟ ด้วยการเทน้ำมันลงไปในกองไฟเวลาเทน้ำมันลงไปในกองไฟใหม่ๆน้ำมันยังไม่ร้อนก็ทําให้ไฟทําท่าจะดับแต่ไม่ดับพอสักระยะหนึ่งพอน้ำมันเริ่มร้อนขึ้นมาก็จะลุกเป็นไฟขึ้นมาใหญ่กว่าไฟที่มีอยู่เดิมนี่คือลักษณะของความอยากที่พวกเรา แทนที่จะระ ง, งับหยุดยับยั้งเรากลับไปเสริมไปเติมให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะเวลาที่เราเกิดความอยากนี้เราจะมีความรู้สึกทุกข์ทรมานใจและเราต้องทำในสิ่งที่เราอยากได้เช่นอยากจะดื่มสุราเวลาอยากดื่มแล้ว ใจจะมีอาการกระสับกระส่ายกระวนกระวายหงุดหงิดลำคานใจแทนที่จะต่อสู้กับความอยากฝืนความอยากด้วยการพิจารณาว่าการเดิบโซรานี้เป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจร่างกายก็จะได้รับสารพิษเข้าไปที่จะทำให้อายุสั้นทาให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ใจก็จะกลายเป็นาธาตุของสุราไปจะเลิกไม่ได้จะต้องคอยดื่มสุราอยู่เรื่อยๆเวลานดไม่ได้ดื่มเวลานั้นก็จะทุกข์ทรมานใจถ้าใช้เหตุผลสอนใจอย่างนี้ก็จะพอที่จะสู้กับความอยากได้และยิ่งถ้ามีความสงบ มาช่วยยิ่งจะทำให้การต่อสู้กับความอยากนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายเพราะเวลาใจสงบแล้วจะไม่ค่อยมีความรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจนั่นเองดังนั้นการที่เราจะแก้ปัญหาคือความทุกข์ใจของเราได้นั้นเราจำเป็นต้องนำเอาธรรมะ ของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกันมาปฏิบัติตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งคือการให้ให้ทา น, ใ ห, ทานให้ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองแก่ผู้เพื่อคลายความอยากได้เงินทองให้เราเก็บไว้หรือมีไว้เท่าที่จำเป็นถ้าเรามีพอแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาเงินทองมา ไม่ต้องมีความอยากได้เงินทองเพราะเวลาเกิดความอยากได้เงินทองก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเรามีเงินทองเกินกว่าที่เราต้องการเราก็สละไปแล้วเราจะได้มีความอิ่มใจมีความสุขใจ จะไม่มีปัญหากับเรื่องของความอยากได้เันทองเพราะถ้าเราได้มามากเกินความต้องการของร่างกายของชีวิตเราก็จะเอาไปทำบุญอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แล้วเราก็จะตัดกําลังของความอยากไปได้ในระดับหนึ่งแล้วก็จะทำให้เราสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ธรรม ขั้นที่สองได้ก็คือการรักษาศีลเพราะผู้ที่ทำบุญนี้จะมีใจที่เมตตากรุณาจะไม่ชอบทำบาปจะไม่ชอบเบียดเบียนสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเวลาจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นว่าทำให้เขาไม่สบายใจ ทำให้เขาทุกข์ใจทำให้เขาเดือดร้อนหรือไม่ถ้าทำแล้วทำให้เขาเดือดร้อนก็จะไม่ทำก็จะสามารถรักษาศีลได้ถ้ารักษาศีลได้ก็จะทำให้ใจรังับความอยากที่จะทำในสิ่งที่เป็นโทษกับใจได้เช่นอยากจะเดือดร้ก็จะไม่เดื่ด อยากจะรักทรัพย์ก็จะไม่รักทัพย์อยากจะประพฤติผิดตระเวณีก็จะไม่ประพฤติผิดโระเวณีนี่ก็เป็นการต้านความอยากเป็นการตัดตอนความอยากให้อ่อนกำลังลงไปเวลาความอยากอ่อนกำลังลงไปก็เหมือนเราเอาฟือนออกจากกองไฟไปนั่นเองเมื่อเราเอาฟือนออกกองไฟไปทีละ ชิ้นสองชิ้นไฟที่ลุกอยู่ในกองไฟก็จะลดน้อยลงไปแต่ก็ยังไม่หมดไปเราต้องเพื่อก้าวขึ้นไปขั้นที่สามถ้าเราอยากที่จะเอากองเอาฟืน อ, ออกจากกองไฟให้หมดเราก็ต้องก้าวจากขั้นที่สองคือการรักษาศิลไปสู่ขั้นภาวนา คือการชำระใจชำระความอยากด้วยความสงบและด้วยเหตุผลคือด้วยปัญญาเบื้องต้นเราต้องทำใจให้สงบก่อนเพราะถ้าใจสงบแล้วเวลาสอนใจด้วยเหตุด้วยผลใจก็จะเห็นตามเห็นคุณเห็นโทษตามที่ธรรมะได้แสดงไว้เช่น ตอนที่เมื่อกี้ได้พูดเรื่องการให้เห็นโทษของการเดินสุรายามาถ้าใจไม่มีความสงบเวลาสอนใจจะมีอารมณ์ขึ้นมาต่อต้านจะไม่เชื่อจะไม่ฟังจะปฏิเสธว่าเกิดมาแล้วยังไงก็ต้องตายอยู่ดีจะคิดอย่างนั้นแต่ความจริงทุกคนกลัวความตายทั้งนั้นเพราะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ อยู่ใกล้ความตายกิเลสก็เลยหลากให้เกิดความกล้าตายว่าไม่กลัวตายยอมตายแต่ไม่ยอมไม่ยอมทุกข์กับการต่อสู้กับตัญหาความอยากดื่มสุราที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปเพราะถ้าเราชนะความอยากดื่มสุราได้ต่อไปเราก็จะไม่มีปัญหากับเรื่องการดื่มสุรา จะมีสุราดื่มหรือไม่มีดื่มก็จะไม่เป็นปัญหาจะไม่ได้สร้างความทุกข์สร้างความหงุดหงิดใจให้กับเราแต่ถ้าเรายังมีความอยากที่จะดื่มสุราอยู่เวลาที่เกิดความอยากแล้วไม่ได้ดื่มสุราก็จะมีความหงุดหงิดน้ำคานใจจะมีความทุกข์ใจดังนั้นเราควรที่จะใช้เหตุผลสอนใจ ให้เห็นโทษของความอยากดื่มสุราและเห็นโทษของสุราที่จะมาเป็นอันตรายต่อร่างกายต่ออวัยวะของร่างกายต่อชีวิตของร่างกายและต่อจิตใจที่จะทําให้ไม่มีสติประครับประกองการคิดการพูดการอา่าก็จะทําให้ไป คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและกับตนเองตามมาต่อไปแล้วก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมต่อไปหลังจากที่ได้ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเ <c oughs> ช่นถ้าไปขับรถเกดอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต ก็จำเป็นจะต้องถูกเจ้าหน้าที่จับไปลงโทษจับไปติดคุกติดตารางตายไปก็ยังต้องไปใช้กรรมทางจิตใจต่อจะต้องไปเกิดในอบายไปใช้กรรมในนรกบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างเ<ม>พราะเหตุที่ขาดสติไม่สามารถควบคุมใจ ไม่ให้ทำบาปได้นั่นเองอนี่คือการใช้ปัญญาสอนใจถ้าใจมีความสงบใจก็จะฟังและเข้าใจจะเห็นคุณเห็นโทษจากการแสดงเหตุผลให้แก่ใจแต่ถ้าใจไม่มีความสงบนี้กิเลสความอยากจะออกมาต่อต้านจะคิดว่า ไม่เกิดขึ้นเพราะว่ายังไม่เกิดนั่นเองแต่พอดด่นไปแล้วเมาแล้วแล้วก็ทำให้เหตุการณ์เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วจะมาเสียใจภายหลังก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นโทษได้เกิดขึ้นแล้วดังนั้นในเบื้องต้นก่อนที่เราจะสอนใจให้เห็นความความ ความผิดเห็นโทษของการกระทำที่ไม่ดีได้เราต้องทำใจให้สงบก่อนเพราะเมื่อใจสงบแล้วความกิเลสตัณหาหรืออารมณ์ต่างๆก็จะถูกตัดกำลังหรือถูกละ ง, งับไว้ชั่วคราวไม่ให้มาขัดขวางกับการฟังเหตุฟังผล พอได้ฟังเหตุฟังผลเห็นคุณเห็นโทษก็จะได้ทำในสิ่งที่เป็นคุณต่อไปละเว้นจากการทำในสิ่งที่เป็นโทษได้เบื้องต้นจึงต้องทำใจให้สงบก่อนก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ขั้นปัญญาขั้นพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลถ้าไม่มีความสงบแล้วจะไม่มีกำลัง จะพิจารณาทางเหตุทางผลเพราะความอยากคือกิเลสตัณหาจะมีกำลังมากกว่าจะมาคอยฉุดลากให้ไปคิดในเรื่องที่จะทำให้เกิดความอยากเกิดความต้องการขึ้นมาก็เลยไม่สามารถที่จะพิจารณาให้เห็นโทษของสินที่ไปอยากได้ว่า จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นเวลาได้มาแล้วจะไม่อยู่เหมือนเดิมจะไปไม่เป็นเหมือนเดิมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆเสื่อมช้าเสื่อมเร็วเวลาเกิดความเสื่อมแล้วความสุขที่เคยได้รับจากสิ่งที่ได้รับมา ก็จะเสื่อนตามไปด้วยก็จะทำให้เกิดมีความอยากได้สิ่งใหม่ขึ้นมาอีกเมื่อได้สิ่งใหม่มามันก็จะเป็นเหมือนกันอีกก็จะต้องริ่มดนทำตามความอยากไปไม่มีวันสิ้นสุดและทุกครั้งที่เกิดความอยากใจก็จะไม่สงบจะอยู่ไม่เป็นสุขจะกะวนกวายกระสับกระส่ายพอได้มาแล้วก็ไม่สงบ ก็ไม่สงบอีกจะมีความวิตกกังวลมีความห่วงมีความหวงกับสิ่งที่ได้มาเพราะไม่อยากจะให้สูญไปกลัวกังวลว่าจะหายไปจากไปและพอถึงเวลาที่เขาต้องจากไปก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความเสียหอกเสียใจเกิดความเศร้าโศกอะไรอะลยขึ้นมานี่คือปัญหาที่จะตามมา ความทุกข์ที่จะตามมาถ้าเราทำตามความอยากต่างๆไม่ว่าจะเป็นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผพิตัณก็ดีความอยากมีอยากเป็นก็ดีหรือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็ดีถ้าเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องทาให้เกิดความเครียดขึ้นมาในใจเกิดความว้าวุ่นกุ่วัวขึ้นมาภายในใจวิธีที่จะแก้ความ เครียดความว้าวุ่นขุ่นัวภายในใจนี้ก็ต้องแก้ด้วยเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดนี้ขึ้นมานั่นเองถ้าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของความเครียดเราก็ต้องหยุดความอยากเท่านั้นเองพอหยุดความอยากแล้วความทุกข์ใจความเครียดก็จะหายไปไม่ใช่ไปทําตามความอยาก พอเมื่อทำตามความอยากแล้วก็จะไปเพิ่มความอยากให้มีกำลังเพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่านั่นเองดังที่โบราณพูดไว้ว่าพอได้คืบก็อยากได้เป็นศอกพอได้ศอกก็อยากได้เป็นวาความอยากนี้จะขยายขอบเขตไปเรื่อยๆจางกว้างใหญ่ไพศาลกว่ามหาสมุทรมหาสมุทรนี้แม้จะใหญ่โต ขนาดไหนก็ตามก็ยังมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีฝั่งถ้าปล่อยให้ขยายตัวขึ้นไปมากเท่าไหร่ก็จะสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้กับใจเพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นดังนั้นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะดับความเครียดดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ก็ต้องมาดับความอยากหยุดความอยาก แะวิธีที่พระเจ้าสอนให้เราหยุดความอยากก็คือให้เราทำบุญให้ทานให้เรารักษาศีลให้เราภาวนาชำระใจด้วยการทำใจให้สงบเมื่อใจมีความสงบแล้วก็เอามาศึกษาเอาคำเอาเหตุผลมาสอนใจสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นี่เป็นทุกข์เนื่องจากมี การจเจริญและมีการเสือ่อมมีเกิดก็ต้องมีการดับมีมาก็ต้องมีการไปและไม่สามารถที่จะไปสั่งไปควบคุมบังคับเขาได้เวลามาก็จะดีใจแต่เวลาไปก็จะเศร้าสศงเสียใจถ้าสอนใจให้เห็นภาพของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็จะได้ไม่อยากได้การไม่อยากได้นี้แทนที่จะเกิด ที่ว่าจะไม่ไม่มีความสุขกับมีความสุขมากกว่าตอนที่ได้อะไรมาอีกหลายร้อยเท่าด้วกันเวลาใจหยุดความอยากได้แต่ละครั้งนี้ใจจะกลับเข้าสู่ความสงบพอใจสงบนี้จะรู้สึกเบา อ, อกเบาใจมีความสุขมีความสบายใจอย่างไม่รู้ไม่เคยเป็นมาก่อนนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นมาถ้าเรา ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราเอาธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราเราก็จะได้สัมผัสลดแห่งธรรมที่ที่ชนะลดทั้งปวงลดของแห่งธรรมก็คือลดของความสงบนี่เองความสงบนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการทําลายความอยากความอยากนี่แหละเป็นตัวที่มาสร้างความไม่สงบให้แก่ใจ พอไม่มีความสงบอยู่ภายในใจแล้วใจก็จะมีความสงบโดยธรรมชาติของเขานะไม่ต้องทําอะไรต่อไปใจจะไม่มีวันวุ่นวายต่อไปถ้าไม่มีความอยากอยู่ในใจแล้วเช่นใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันต์ทั้งหลายใจของท่านท่านได้กาจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะมาสร้างความกระสับกระส่ายกังวลกังวยสร้างความทุกข์สร้างควา ม, าวามอาลัยอาวร์สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับใจอีกต่อไปและก็จะไม่มีอะไรที่จะมาฉุดลากให้ใจไปแสวงหาอีกต่อไปใจของผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์จึงไม่ไปหาร่างกายอันใหม่ ไม่ไปหาพบใหม่ชาติใหม่อีกต่อไปเพราะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอเต็มที่อยู่ในใจแล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาอะไรมาเพิ่มเพราะเป็นเหมือนน้ำที่เต็มอยู่ในแก้วแก้วน้ำที่มีน้ำเต็มแก้วแล้วจะเติมน้ำเข้าไปอีกมากมายขนาดไหนก็ไม่สามารถทำให้น้ำในแก้วนัน้นมีมากไปกว่าเท่าที่มีอยู่ได้ ใจของผู้ที่อิ่มแล้วพอแล้วที่ได้ชำระตัณหาความอยากหมดไปจากใจแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจะมีความอิ่มมีความสุขมีความพออยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของตนร่างกายของคนอื่นหรือส ม, สมบัติเ้าาของต่างๆของตนจะมีเพิ่มขึ้นหรือจะมีน้อยลง ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไม่เป็นปัญหาต่อใจที่มีความสุขเต็มที่อยู่ภายในใจความสุขภายในใจนี้จะมีพลานุภาพเหนือกว่าความทุกข์ต่างๆความทุกข์ต่างๆนี้จะไม่สามารถมาทำให้ความสุขอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ภายในใจนี้หายไปได้เลย พระพุทธเจ้าผ้ออาอรหันทั้งหลายเวลาท่านนิพพานเวลาท่านตายท่านถึงตายอย่างมีความสุขใจของท่านไม่มีความทุกข์เลยแม้แตนิดเดียวร่างกายก็เป็นเหมือนอีกคนหนึ่งเวลาเราเห็นคนอื่นตายเราไม่เดือดร้อนยังฉันใดเวลาพระพุทธเจ้าผ้ออาอรหันเห็นร่างกายของท่านตายไปท่านก็เห็นเหมือนว่าเป็นร่างกายของคนอื่น ใจของท่านไม่กระเพื่อมใจของท่านไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่กระสักระส่ายท่านมีความสุขอยู่ตลอดเวลาใจของพวกเราต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราพยายามปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือทำทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ภาวนาอย่าทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะว่าจะไม่พอเพียงเหมือนกับการรับประทานอาหารเราต้องรับประทานอาหารให้ครบตามความต้องการของร่างกายไม่ใช่รับประทานเพียงแต่ข้าวเปล่านอกจากข้าวปล่าแล้วเราก็ต้องมีกับข้าวแล้วก็มีของของหวานมีผลไม้มีน้ำมีเครื่องดื่มต่างๆร่างกายถึงจะได้ สารอาหารครบถ้วนบริบูรณ์ใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราต้องการชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็ต้องปฏิบัติธรรมทั้งสามขั้นนี้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนกับการรับประทานอาหารถ้าเราสามารถทำทานได้เต็มที่รักษาศีลได้เต็มที่ภาวนาได้เต็มที่แล้ว ผลก็คือความสะอาดบริสุทธิ์ของใจก็จะเกิดขึ้นมาความอิ่มเอิบใจเหมือนกับการได้รับประทานอาหารทางร่างกายก็จะปรากฏขึ้นมาเพราะใจได้รับอาหารครบทั้งสามหมู่นั่นเองคือได้รับทานได้ทานได้ศีลได้ภาวนาดังนั้นถ้าท่านยังเพียงแต่ทาบุญอย่างเดียว ยังไม่รักษาศีลอย่างจริงจังยังไม่ภาวนาอย่างจริงจังก็ควรที่จะระยับขึ้นไปได้แล้วไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีวันที่จะพบกับความอิ่มความพอที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้พบกันและได้มอบให้กับพวกเราถ้าพวกเราไม่น้อมเอาคำสอนและปฏิบัติตามทำทั้งสามขั้นนี้ เราก็จะเป็นคนขอทานอยู่เรื่อยๆเป็นคนที่มีแต่ความหิวความอยากอยู่เรื่อยๆไม่จะไม่มีวันที่จะเป็นมหาเศรษฐีเช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นกันได้คือมีความอิ่มมีความสุขมีความพอนั่นแหละคือมหาเศรษฐีที่แท้จริงถ้ามีเงินร้อยล้านหมื่นล้านแสนล้าน เรายังมีความอยากได้อยู่ก็แสดงว่ายังไม่ใช่เป็นเศรษฐีจริงถ้าเศรษฐีจริงแล้วต้องพอต้องอิ่มไม่อยากได้อะไรอีกแล้วดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นมหาเศรษฐีที่แท้จริงเราก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทำบุญให้ทานอย่างเต็มที่ทำอย่างพระพุทธเจ้าสละราชสมบัติไปเลย เพื่อเราจะได้ไปรักษาสิ่งได้อย่างเต็มที่ไปอยู่วัดไปบวชเป็นพระเป็นชีเป็นเนงเพื่อเราจะได้มีเวลาภาวนาได้อย่างเต็มที่ชำระตัณหาความอยากได้อย่างเต็มที่แล้วไม่นานรับรองได้ว่าจะได้พบกับความอิ่มความพอได้เป็นหาเศรษฐีที่แท้จริงต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการ มาวัดเพื่อมาหาลดแห่งธรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความอิ่มความพอความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็หาว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติดไว้เพียงเท่านี้ขอขุนพระศีรัตนตรัย